ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะปะพระบุพพิขาและบุพพิขาวันน า, นาพระอมราภิรติตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นการแสดงเรื่องของสีมาโดยยอ่อสีมาก็หมายถึงเขตที่จะกระทำสังฆกรรมของพระพิษุ ผู้มีสังว่าเสมอกัน จ, กจะแสดงในสีมาโดยย่ออุโบสถและปะวารณาและสังฆกรรมทั้งปวงต้องทำในภายในสีมาพราะองค์ทรงอนุญาตสีมาไว้ก็เพื่อที่จะให้รู้ที่ควรเป็นสามัคคีด้วยคำว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละสีมังสัมม น, นิตุงก็ความละทารยามิดังนี้ ก็แลสีมานั้นมีสองอย่างก็คือพัทธสีมาอย่างหนึ่งอภัตสีมาอย่างหนึ่งสีมาที่สงผูกนิมิต ด, ด้วยนิมิตสมบัติให้พ้นวิบัติสิบเอ็ดประการประกอบด้วยสมบัติสามชื่อว่าพัทธสีมาก็คือผูกด้วยกรรมวจานะเรียกว่าพัทธสีมาสีมาวิบัติสิบเอ็ดอย่างนั้นก็คือหนึ่งสีมาเล็กนักไม่พอพิจูดยี่สิบรูปนั่งได้สองใหญ่นัก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 แปดในทะเลเก้าในชาติตะสิบสมุดคาบสีมาเก่าแห่งพิจุเอิญสิบเอ็ดสมมุติสีมาทับสีมาเก่าแห่งพิจุอื่นดังนี้ชื่อว่าสีมาวิบัติสิเอ็ดอาการเนี่ยนะไปทําเข้ากันได้ ว, ว่าสีมาวิบัติการส ม, มุติสีมาใหญ่นักก็ดีหรือว่าสีมาไปคาบเกี่ยวสีมาของพิจุอื่นหรือว่าไปทับสีมาเก่าแห่งพิจุอื่นก็ดีสามอาการเนี่ยนะ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 คืบหนึ่งก็ได้ชอกหนึ่งก็ได้ท่านก็บอกว่าแค่สี่นิ้วส่วนสมบัติสามอย่างนั้นก็คือนิมิตสมบัติอย่างหนึง่งปริสักสมบัติอย่างหนึง่งตามมวาจาสมบัติอย่างหนึง่งนิมิตเครื่องหมายที่จะทําเป็นเทฏของติมาเนี่ยนะนิมิตจะมีแปดอย่างด้วยกันก็คืออย่างที่หนึ่งปัปปะโตภูเขาโตเท่าช้างขึ้นไปถึงจะเป็นนิมิตปัปปะตะนิมิตได้ รายสองกับปลาสาโนก้อนหินหินเท่าก้อนน้ำอ้อยหนักสามสิบสองปะละขึ้นไปถึงจะทําเป็นปลาสานะนิมิตได้ว่า น, นางหมายถึงหมู่ไม้ที่มีแก่นข้างในหมายถึงป่าไม้รุกโขชาติต้นไม้ที่มีแก่นข้างในที่เป็นอยู่แมปลูกในขณะนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันลำต้นเท่ากับเด็กจานสูงแปดนิ้วขึ้นไป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 นิชื่อว่านิมิตสมบัติโดยอย่างตามพิสุสีรูปประชุมกันพิกสุนอกนั้นอยู่ในคามาเขตนั้นเท่าไรไม่มาเข้าในหัตตาบัดให้นําฉันทะมาหรือให้เข้าในพัทเทศีมาแห่งปอนเสียหรือให้ลงเทียในแม่น้ําหรือว่าในทะเลในชาติกะแล้วสมมติกันชื่อว่าปาริสสะสมบัติพิกสุผู้ฉราดตัวสมมติด้วยยติทุติยกรรมวาจาอันบริสุทธ ไม่เปลี่ยนเศษหินเป็นชนิดเป็นต้นหมายถึงว่าความฉาดในอักษร อ, อักขระโกสลระหรือพยัญชนะโกสละมีความพร้อมมูลไม่วิบัติดังนี้ชื่อว่ากรรมวาจาสมบัติตรวมไปสามอย่างมีมิตสมบัติปริสักสมบัติแล้วก็กรรมวาจาสมบัติอันหนึ่งพระตสีมาโดยบาลีเป็นสองก็คือสมาสังวาสีมาอย่างหนึ่งแล้วก็อวิปว่าสีมาอย่างหนึ่ง สมาสังวาสสีมาก็คือสีมาที่มีสังวาสเสมอกันเป็นแดงสําหรับทำสังกกรรมได้แห่งหนึ่งส่วนอวิปปวัสสีมาก็ได้แก่สีมาที่สงสมุดทับสมานสังวาสสีมานั้นลงตรวจทับนะด้วยยติทุติยกรรมวาจาอื่นอีกด้วยยติทุติยกรรมวาจาอื่นอีกเพื่อจะได้อยู่ปราจากไตรจีวรได้ด้วยือเป็นวิธีกรรมในการที่อยู่ปราจากไตรจีวรแล้วก็ทําให้สมานสีมาเนี่ยมั่นคง ก็เป็นสองด้วยกันแต่ถ้าว่าโดยอัตรกระถาก็เพิ่มเป็นสามอัตรกระถาเพิ่มมาอีกอันนึงเรียกว่าขันทสีมาเพิ่มขันธศสีมาเข้าด้วยขันด้สีมานั้นก็คือสีมาเล็กถีมาเล็กนี่ก็หมายถึงก็ส่วนสมารสำราสีมานั่นแหละแต่ว่าจาัดไว้แผนหนึ่งเพื่อจะได้ทําคําได้ง่ายสมมุติไว้ในระหว่างแห่งพัทศสีมาใหญ่นั้นเพื่อจะทําสังกรรมง่ายไม่รังเกียจ ด, ด้วยพิกษุอื่นซึ่งจะเข้ามาในสีมานั้น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 สมาสังวาสีมาอวิปปวาสีมาแล้วก็ขันธสีมาอภัสรสีมาก็สีมาที่ไม่ได้ผูกในสามอย่างเหมือนกันคามาสีมาสัตตพันจรัสสีมาแล้วก็อุดะกุกกะเคตะสีมาคามาสีมาก็คือสีมาบ้านหรือว่านิคมสีมาก็จัดว่าเป็นคามาสีมานั่นแหละสัตตพันจรัสสีมาหมายถึงสีมาเจ็ดอัพันดรก็หมายถึงสีมาป่าอุดะกุกกะเคปสีมาก็หมายถึงสีมาน้ําจําง่ายๆนะ สีมาบ้าสีมาป่าสีมาน้ำอันนี้เรียกว่าอาภัตตสีมาค า, าเมเขตอันหนึ่งกว้างใหญ่เท่าไหร่ก็ตามชื่อว่าคาเมาสีมาโดยบาลีว่าอะสัมมาตายภิกเวสีมายะอัฏฐปิตายะยังคามังวานิคมังวาอุปนิสตายะวิหรติยาคามัสวาคาเมาสีมานิคมัสวานิคเมาสีมาอายังตัฏฐมามสังวาสาเอกุปปสขา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 โดยบาลีว่าอะคามกเกพิขเวอรัญเยสมันตาส ต, ตัดพันตาราอยังตถาสมานณสังวาตาเอกุปโปตธาดังนี้เมื่อยือนอยู่กลางเจ็ดอัพันดรในทิศทั้งปวงโดยแทงตลอดไปเป็นสิบสี่อัพันดรอัพันดรนหนึ่งหนึ่งก็ประมาณยี่สิบแปดตอกสิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นเจ็ดอัพันดรก็เก้าสิบแปดเมตรเก้าสิบแปดเมตรแต่ว่าทะยงเป็นสิตรัฐพันดรก็เท่าไหร่ ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดเมตรสิบสี่เจ็ดเก้าสิบแปดเมตรเจ็ดอัมพันดรในเก้าสิบแปดเมตรเก้แปดกับเก้าสิบแปดก็เป็นร้อยเก้าสบหกเกือบสองร้อยเมตรนะนะร้อยเก้าสิบหกเมตรโดยรอบพิสูจอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเป็นเขตของสัตพันตะสีมาสีมาตาเจ็ดอัพันดรในแม่นนะ้ำเป็นต้น ในภายในกําหนดด้วยสาดน้ําก็คือวักน้ําสาดเนี่ยชื่อว่าอุดกุกะเขปะสีมาโดยบาลีว่าสับบาพิขเวนนาดีอาสีมาสัโ บ, บสมุดโดอาสีโมสัโ บ, บชาตัดสโดอาสีโมนาดิยาวาพิคเวสมุดเดวาชาตัดเรวายังมัชชิมัสสะปุริสะสะสมันตาอุดกุกเขปา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 กำหนดด้วยศาสตร์น้ําแห่งมัชิมบุรุษโดยรอบในที่นั้นอันนี้แหลเป็นสีมามีจังหวะเสมอกันมีอุโบสถอันเดียวกันดังนี้นก็คือลงไปอยู่ในแม่น้ําำจะอยู่ในเตืออยู่ในแพรหรือว่านุ่งผ้าอาจต้องผ ล, ลก็จะยืนอยู่ในแม่น้ําก็แล้วแต่พระวิสูปไปอยู่ในหัตถบานแล้ววัดน้ําไปโดยรอบศาดน้ดนําไปโดยรอบนี่นะบริเวณที่ศาดน้ําไปโดยรอบนั้นแ่ะเป็นถีมาสามารถที่จะทําสังฆกรรมได้ ในฤดูฝนสี่เดือนฝนเจ็ดวันตกทุกึเดือนในแม่น้ำใดในสะเกิดเองใดน้ำไม่ขาดนางพิจุนีนุ่งเป็นปริมณฑลไม่ได้ยกชายสะบงลงข้ามพอชายสะบงชุ่มสักนิ้วหนึ่งหรือว่าสองนิ้วจะเป็นท่าหรือไม่ใช่ท่าไปแล้วแต่ถ้าเดินข้ามไปนี่สะบงเปียกชุ่มในที่หนึ่งนิ้ว2องนิ้วเนี่ยอันนี้แลชื่อว่าแม่น้าชื่อว่าสระเกิดเอง ในแม่น้ำหรือว่าในชาติสาะนั้นในฤดูฝนดีสี่เดือนและในทะเลเวลาขึ้นปกติท่วมที่เท่าใดแต่ที่เท่านั้นลงไปเป็นกัพปิยาภูมิสามารถที่จะทำสังกักรรมในที่นั้นได้ฝนไม่ดีฤดูแรงแม้แห้งไปแม่น้าแห้งไปที่เท่านั้นก็คงเป็นกัพปิยาภูมิอยู่อย่างเดิมนั่นเองนั้นบริเวณที่น้ำท่วมถึงตลอด ตีเดือนที่ฝนดีบริเวณนั้นแหละเป็นกัพริยาภูมิสามารถที่จะทําสังกรรมได้ถ้าเขาขุดเป็นบอ่อลงไปหรือว่าหวานพืชลงที่นั้นกลายเป็นคามาเขตแต่เลยทาสังกรรมไม่ได้นะถ้าทําแล้วก็ต้องไปดูว่ามีพระปุจจุอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ทำเสียอุท่ากุกเขะตักสีมาเนี่ยไม่ไปนอกกัพริยาภูมิออกไปอยู่แต่ภายในถ้าเป็น สีมาน้ำเนี่ยนะไม่ออกไปนอกภพิญภูมิหรอกอยู่ภายในเท่านั้นบริเวณที่วักน้ําศาสตร์ไปอภัณตรศีมาและอุทะกุกเขปักสีมาสองอย่างนี้กําหนดแต่โอกาสทพิจุยืนออกไปก็คือตั้งแต่พิจุยืนออกไปเนี่ยบริเวณถ้าเป็นสีมาวักน้าําศาสตร์ก็ช่วยหรืวักน้าศาสตร์พิจุขยายเท่าไหร่ก็พิจุรูปท้ายเนี่ยวักน้ําศาสตร์ออกไปก็ ขยายไปตามพิจุอภพรรตสีมาสีมาป่าก็เหมือนกันนะพิจุขยายออกไปเท่าไหร่ก็กําหนดเขตออกไปจากพิจุรูปสุดท้ายนั่นแหละชั่วเจ็ดอภพรรตนถ้าสงสองพวจกจะทําสังฆกรรมให้กําหนดเจ็ดอภพรรตนและชั่วศาสตร์น้ําอื่นอีกลงในระหว่างเป็นอุปจาระก็ามาขั้นถ้าอยู่ในป่าสงสองกลุ่มจะทําก็ต้องเว้นไปเจ็ดอภพรรตนในสีมาน้ําก็เหมือนกันก็ต้องเว้นชั่ววักน้ําศาสออกไป เป็นอุปจาระทิศตุอยู่ในภายในที่กําหนดมลหัตถบาทันเสียก็ดีและภายนอกที่กําหนดยืนไม่ไว้ระหว่างเป็นอุปจาระประดีให้กรรมกําเริบได้ถ้าละหัตถบาทอยู่ในสีมาบ่าหรือว่าสีมาในน้ําเนี่ยนะละหัตถบาทันก็กํามกำเริบหือว่าถ้าทำกรรมสองกลมและไม่เว้นอุปจาระไว้กรรมก็กําเริบได้เหมือนกันกิ่งไม้ในมหาสีมายื่นเข้าไปจดพื้นในขันทสีมา หรือว่ากิ่งไม้ในขันศีมายื่นเข้าไปจดพื้นในมหาศีมามีอยู่เมื่อจะทำสังกกรรมพึงชาระเสียก่อนไม่งั้นสีมาข้าบเกี่ยวกันก็ทำให้กรรมเสียได้จะทำสังกกรรมในอุทะกุกเขปักศีมาพึงลงทำในน้ำหรือว่าทำในร้านในแพรในเรือซึ่งปักลงในน้ำนั้นอย่าปักเสาปักหลักบนตลิ่งและผูกกับกิ่งไม้ที่งอกขึ้นบนตลิง และยาผูกในต้นไม้ซึ่งขึ้นในน้ำและกิ่งจดกับตะลิงจะคาบเกี่ยวกันนะและจดกับกิ่งไม้บนตะลิงด้วยว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าเกี่ยวกันไปก็คือจะคาบเกี่ยวสีมาก็สามารถคาบเกี่ยวได้อันหนึ่งยาลอยเรือหรือว่าแพทําสังกรรมด้วยว่ายาติจะไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งอนุสาวนาจะไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันหนึ่งสมมติมาทับฝั่งแม่น้ำนี่เป็นทุกกฎ ในฝั่งแม่น้ําใดมีเรือเป็นนิดมีสะพานเป็นนิด จ, จะสมมุติสีมาทับฝั่งแม่น้ํานั้นควรอยู่สีมาเ่อมแม่น้ําเนี่ยนะนาทีปาราษีมาถ้ามีเรือมีสะพานอยู่บริเวณนั้นก็สมมุติสีมาคเ่อมได้ถ้าไม่มีนี่ต้องอบัตทุกกฎอันหนึ่งตรวจปาฏิโมกตามบริเวณไม่เป็นที่สังเกตต้องอบัทุกกฎหมายถึงว่าไม่ได้กาหนดบริเวณหรือไม่ได้กาหนดวิหารที่ที่ตรวจปฏิโมกไปประจำเนี่ยต้องอบัต ท, ทุกกฎ ตรวจต่อเรื่อยไม่รู้เขาจะไปตัวที่ไหนไปถูกก็ไม่รู้เนี่ยอบัตทุกกฎทรงอนุญาตให้สมมติโรงอุโบสถไว้แห่งหนึ่งด้วยยติทุติยกรรมวาจาในอาวาสอันหนึ่งมีสีมาอันเดียวกันสมมติรงอุโบสถสองแห่งเป็นทุกกฎทรงอนุญาตให้ถอนไปแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีโรงอุโบสถได้โรงเดียวเท่านั้นในสีมาหนึ่งสีมาคถาก็จบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ อธิกรณมสมถะฐเจ็ดอย่างเครื่องมือสําหรับนางปทิกรจกแสดงในอธิกรณมสสมถะฐเจ็ดโดยย่อสามูขาวินัยอย่างหนึ่งสติวินัยอย่างหนึ่งอมุรห่าวินัยอย่างหนึ่งปติญญาตการณะอย่างหนึ่งเยกุยยะติกาอย่างหนึ่งแล้วก็ปัสสะปา ป, ปิยะติกาตินะวัารกาศอันสุดท้ายอย่างที่เจ็ดเจดนี้ชื่อว่าอาทิกรณมสมัฏฐ เพราะเป็นธรรมระงับอธิกรณ์สี่อธิกรณ์ก็หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเทตุวิวาทะราะการด้วยเพทฆกระวัตถุสิบแปดหมายถึงเรื่องที่ทําความแตกร้างนี่นะเป็นต้นว่านี่ทำนี่ใช่ทำนี่วินยัยนี่ไม่ใช่วินยัยดังนี้ชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์คาะวิวาทุกตีการนี้ไม่ชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์เป็นการวิว า, กาทกันเฉยๆโจดทวงกันด้วยศีลวิบัติ หรือทิฏฐิวิบัติหรืออาจาราวิบัติหรือว่าอาชีววิบัติอันใดอันหนึ่งชื่อว่าอนุวาธาธิกรอาบัตขันเจ็ดหมายถึงกองอาบัตเจ็อย่างตั้งแต่ปาราชิกจนทัึงถึงทุพสตชื่อว่าอาปัตตาธิกรสามกรรมสีอย่างก็คืออัปโลกนกรรมอย่างหนึ่งยัติกรรมอย่างหนึ่งยติทุติยกรรมอย่างหนึ่งยติเจตุธกรรมอย่างหนึ่งชื่อว่ากิจจาธิกรสี่อย่างนี้ชื่อว่าอธิกร เพราะจักถึงระลับด้วยสมถะเจ็ดต้องระลับด้วยสมถะเจ็ดอย่างสมถะเจ็ดนั้นก็เลยเรียกว่าอาธิการณาสมถะเครื่องมือระลับอธิกรณ์วิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะสองอย่างก็คือสามุขาวิไนยอย่างหนึ่งกับเยปุยติกาอย่างหนึ่งสามุขาวิไนนี้ก็หมายถึงว่าระเบียบอันให้ถึงความซ้อมหน้าเยปุยติกาก็หมายถึงว่าตัดสินเอาตามคนมากเป็นกรรมาน เมื่อจะระ ง, งับด้วยสัมภคาวินัยอย่างเดียวนั้นวิวาทเกิดขึ้นในวิหารใดสงตัดสินไปในวิหารนั้นหรือว่าพิกูุทั้งหลายไปเพื่อจะระ ง, งับในวิหารอื่นแณตัดสินระ ง, งับเสียในกลางทางก็ดีหรือพิกสูไปมอบให้แก่สงในวิหารใดสงในวิหารนั้นตัดสินระ ง, งับไปเตี้ยหรือสงในวิหารนั้นไม่อาจระ ง, งับได้สมมติพิจูขึ้นด้วยอุปาหิกาธรรมวาจาให้เป็นบุคคลผู้ตัดสิน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 แต่ในวิวาทซึ่งระ ง, งับไปด้วยอุปาฮิกากรรมวาจานั้นความพร้อมหน้าสงต้อมเสื่อมลดไปอย่างนี้แลวิวาธาธิกรชื่อว่าระ ง, งับไปแต่ด้วยสมนูกาวินัยอย่างเดียวพร้อมหน้าสงวัตถุธรรมวินยัยถ้าแลแม้ไม่ระ ง, งับไปดังนั้ำใสธาติจุซึ่งสงสมมุติ ด, ด้วยอุปาฮิกากรรมวาจามอบอธิกรนั้นให้แก่สงด้วยคําว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อาจระนับดังนี้ต่อไปสงสมมติที่ตู่พร้อมด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้แจกสลากแล้วให้ที่ตุนั้นแจกสลากโดยอาการสามก็คือซ่อนเปิดเผยแล้วก็กระซิบที่หูและในบริสคอนซึ่งประชุมนั้นที่ตู่ผู้เป็นธรรมวาทีได้ตลากแห่งธรรมวาทีมีมากเจอทั้งหลายนั้นกล่าวตัดสินอย่างไรอธิกรระนับไปอย่างนั้นดังนี้ชื่อว่าระนับด้วยสมามมุขวิไนด้วย ด้วยเยปุยยติกาคือธรรมวารีมากกว่าด้วยถ้าธรรมวารีน้อยป่านี้ยังไม่แจกกราดาษถ้ามีธรรมวารีมากถึงจะแจกกละดาในที่นี้สามข่าวินัยมีในดังกล่าวแล้วแท้แต่ที่กระทําเยปุยยติกาตํำคือแจกกระดาษหาธรรมวารีได้มากนี้แลชื่อว่าเยปุยยติกาวิวาธาธิกรณับด้วยสมถะสองดังกล่าวมานี้แหล ส่วนอนุวาาธิกรย่อมระลับด้วยสมถะสี่อย่างก็คือสมัมผขาวินัยอย่างหนึง่งสติวินัยอย่างหนึง่งอมุระหาวินัยอย่างหนึง่งแล้วก็ปัจจักตาปิยสิกาอย่างหนึง่งเมื่อจะระงรับด้วยสมัมผขาวินัยอย่างเดียวผู้ใดโจดและโจดผู้ใดพระวินัยทอนพึงฟังคําแห่งคนทั้งสองนั้นถ้าเห็นว่าไม่มีอาบัติ่งใดให้คนทั้งสองงดโทษก่างเสียถ้าเห็นว่ามีอาบัติแล้วตัดสินว่าในข้อนั้นเป็นอาบัติชื่อนี้ อธิกา์ น, นั้นระงับไปชื่อว่าระงับไปด้วยสามุขาวินัยอย่างเดียวลักษณะแห่งสามุขาวินยัยในที่นี้ก็มีในดังกล่าวแล้วแท้ก็แล้ิที่สุผู้เป็นขีณาศกผู้อื่นโจดด้วยศีลวิบัตไม่มีมูลมาขอสติวินัยปะสงสงให้สติวินัยด้วยยติเจตุจตกรรมในการใดในการนั้นอนุวาธาธิการเป็นอันระงับด้วยสามุขาวินัยด้วยแล้วก็สติวินัยด้วย แต่เมื่อสงให้สติวินัยแล้วผู้หนึ่งจะโจทย์ท่านนั้นอีกไม่ได้เลยโจทย์ไม่ขึ้นนะะโจทย์แล้วมีอาับดั้ด้วยแหละเพราะสงทํากรรมแล้วให้สติวินัยแล้วก็แรกพิกตุเป็นบ้ากระพริอัจฉาจารด้วยความเป็นบ้าพิกตุอื่นโจทย์ว่าท่านจงระลึกอาบัตดเช่นนี้ดังนี้แม้เธอนั้นกล่าวว่ากรรมอันนี้ข้าพเจ้าเป็นบ้าอยู่ทําระลึกหาได้ไม่ดังนี้พิกตุอื่นก็ยังขืนโจทย์อยู่ก็ดี และเธอมาขออามูระห์วินัยเพื่อจะไม่ให้โจดได้อีกพระสงฆ์ก็ให้อามูรห์วินัยด้วยยติจตุตทกรรมวาจาแก่เธอนั้นในการใดในการนั้นอนุวาธาทิกรเป็นอันรงับด้วยสมุขวินัยด้วยด้วยอามูรห์วินัยด้วยและนั้นเมื่อสงฆ์ให้อามูรห์วินัยแล้วผู้หนึ่งจะโจดเธอนั้นอีกเพราะเหตุนั้นไม่ขึ้นเลยโจดไม่ได้โจดก็มีอบัตด้วยก็อนแรงพิสูกระพฤติอัาจฉริยานกระพฤติไม่ดี ทีสู่อื่นโจดด้วยประราชิกหรือว่าด้วยข้อใกล้ต่อประราชิกก็ดีเธอพูดเอาคําอื่นมากรกเกลื่อนเสียเป็นคนลามกนักพระหนาด้วยบาปพระสงฆ์สำคัญลงว่าถ้าผู้นี้จะมีมูลไม่ขาดแล้วไซสเธอจากปฏิบัติชอบจะได้โอสารณะการชักหาขาหมูดการเรียกขมูดถ้าเธอมีมูลอันขาดแล้วไซสอันนี้เองจะเป็นความชิบหายแห่งเธอนั้นพระสงฆ์สำคัญดังนี้แล้วก็กระทําตัดจ่าตาปิยติกากรรม ก็ลงโทษแต่ผู้มีบาปหนาเนี่ยนะแก่เธอนั้นด้วยยติจะจตกรรมวาจาในการใดในการนั้นอนุวาธาทิกรเป็นอันระนับด้วยสามุขาวินัยด้วยด้วยตัฏฐปาปิยติกาด้วยอนุวาธาธิกรระงับด้วยสมถติสียางดังกล่าวมานิแลงส่วนอัตตาทิกร น, นั้นย่อมระงับด้วยสมรรมติสามอย่างก็คือสามุขาวินัยอย่างหนึ่งปฏิญญาตะกระณะอย่างหนึ่งแล้วก็ตินนวัฏฐานะอย่างหนึ่ง อาปัตตาธิกร น, นั้นซึ่งจะระงรับด้วยสา ม, มุขาวินัยอย่างเดียวไม่มีก็แลในการใดภิกตุแสดงละหุกาบัตในสำนักภิกตุรูปเดียวหรือว่าในทถ้ำกลางสงและคณะในการนั้นอาปัตาที่กรย่อมระงรับด้วยสามมุขาวินัยด้วยด้วยปฏิญญาจักรณะด้วยก็คือต้องทำตามรับแล้วก็ต้องมีผู้ที่มารับรู้ว่าหนึ่นอยก็ภิกตุรูปหนึ่งก็มาเป็นผู้ที่รับแสดงอาบัตก็ต้องมีการพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าธรรมวินยัย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 ในการแสดงอาบัตินั้นความปฏิญญาว่าท้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้ก็ดีและรักว่าท้าปเจ้าเห็นอาบัตอยู่ก็ดีอันใดผู้รักกระทําตามปฏิญญานั้นด้วยกล่าวว่าท่านพึงสํารวมต่อไปนี้แหชื่อว่าปฏิญญาตการะณะทําตามปฏิญญาการขอปริวาเป็นต้นแลให้ปริวาเป็นต้นตามปฏติญญาก็ชื่อว่าปฏิญญาตการณะในสังขาธิเศษก็แลพิจูตตั้งหลายสองจะพวกทําการทะเลาะ ก, กัน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 ดังกลบไว้ด้วยหญา้าไม่ต้องรื้อฟืน้นคือสังฆ ก, กรรมอันหนึ่งทับโทษนั้นไว้ดังหญ้าปิดคูดในการใดในการนั้นอาปัตาธิกรชื่อว่าระงรับด้วยส ม, มุขาวินัยด้วยด้วยตินนวัตถารกัดด้วยด้วยว่าภิกษุทั้งหลายเท่าใดเข้าอยู่ในหัตถบาปในขณะทำตินนวัตถารกัดตามนั้นและเธอไม่ทําให้แจ้งซึ่งคิดถืว่ากรรมนั้นไม่ควรดังนี้ แม้เธอหลับอยู่ก็ดีอับัตทั้งปวงแห่งเธอนั้นยกแต่อับัตที่เป็นโทษหยาบคือสังกัดทิเตศและอับัตที่เป็นขี้ปฏิสังยุตปรกอบด้วยเระอขัสเซียก็คืออับัตที่เกี่ยวข้องกับกระถัดนอกนั้นออกได้ตกไปสิ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับอยู่ในสีมานะนั้นพอกระสวดตินนวัาจักรรมอาบัต อ, อื่นๆนี่ตกหมดโดยบัตเบาๆทั้งหลายยกเว้นอาบัตสังกัิเตศกับอับัตที่เกี่ยวข้องกับกระถัดอับัตอื่นเดี๋ยวแม้จะตื่นจะหลับอยู่ก็เป็นอัน ตกไปหมดเลยอาปาตาิกรระงับด้วยสมถะสามดังกล่าวมานี้แล ก, กิจจาทิกรนั้นย่อมระงรับด้วยสมัมภูวินัยอย่างเดียวอธิกรสี่ย่อมระงรับด้วยสมถะเจ็ดตามสมควรด้วยประการดังนี้แลอธิกรณ์สมถะคาถาจบต่อไปก็เป็นเรื่องของคารวัตอคารวัตจะแสดงในค า, า, ารวาคารวัต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 อางทีหกก็ไม่เคารพในปฏิสันถานการต้อนรับปฏิสันถานอภ า, าระตาเป็นหกผู้ใดเมื่อพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ไม่ไปสู่ที่อุปถาเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วไม่ไปสู่ที่เจดีหรือว่าต้นโพเพื่ออุปถาและไม่ไหว้ซึ่งเจดีหรือซึ่งต้นโพและกั้นร่มสวมรองเท้าเที่ยวเดินไปในลานเจดีก็ดี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 เป็นโรงตรึกและไม่ไหวตามลำดับผู้เท่าดังนี้ถึงรู้เถิดว่าความเคารพในพระสม์แห่งผู้นั้นไม่มีก็แล้วผู้ไม่สมาทานศึกษาเลยซึ่งสิกขาสามคือศีลสมาธิ ป, ปัญญานี้พึงรู้เถิดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในสิกขาผู้ตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ปราศจากสติแท้เป็นผู้ที่อยู่ปราศจากสติ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 คารบในพระธรรมธรรมะคารวตาอย่างที่สองคารพในพระสงฆ์สังฆะคารวตาอย่างที่สามคารบในติกขาติกขาคารวตาอย่างที่สี่คารพในอัปมาทธรรมอัปมาทาาะคารวตาอย่างที่ห้าคารพในปฏิสันฐานปฏิสันถาระคารวตาอย่างที่หกเนื้อความในคารพหกนี้ก็พึงรู้โดยพิจารณาโดยปริยายแปลจากอคารวะซึ่งกล่าวในพระสูตรว่า ความไม่เคารพเป็นไปเพื่อความเสือมส่วนความเคารพนั้นก็เป็นไปเพื่อความเจริญแล้วนั้นเถิดต้ากป็นความเคารพ ก, ก็เจริญเจรญไญ้ป็นตอริยมรรคทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คาระวะค า, าระวะกะถาจบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอนิสงส์แห่งการกว่าข้อความในกระถาซึ่งกล่าวมาในปรภ ะ, ะนั้ น, น, น แสดงข้อปฏิบัติชําระดปัดกวาดสันดานแห่งผู้ปฏิบัติให้ผ่องแผ้วดังไม้กวาดปัดกวาดที่รกสําเร็จอานิสงฆ์ห้าประการก็แล้วอนิสงฆ์แห่งการกวาดลานเจดียด์เป็นต้นท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปริวาระดังนี้ว่าอานิสงฆ์แห่งการกวาดมีห้าอย่างก็คือสกัดจิตตังปถิยิตติจิตของตนเลื่อมใสให้ผ่องแผ้ว ด, ดังพระพระตะักทิสุ กว่าลานเจดียแล้วยืนแลรดูได้โอทาตัสสินแล้วต้องได้โอทาตัสิินกสิ น, สนทีขาวไม่ง้นก็เป็นอ า, ศ า, ศ า, ศาคาสักสินเจริญปัสนาสําเร็จผลทั้งสามประราชิตตังปสิตติจิตผู้อื่นเลื่อมใสของแพ่วดังติดสัทวิสุกว่าลานเจดียแล้วยืนถือกระเช้าอยู่ ท้าติสักท้าตากียะตะลงจากเรือเห็นลานเจดีกว่าดแล้วก็ยินดีก็เลยถามปริศนาตันก็เป็นการเจริญกุศลอย่างยิ่งข้อที่สามก็เทวดาอัตตมนาโหติเทวดายินดีชอบใจด้วยนำพิตรวูปหนึ่งปาลานเจดีและลานโพจะไปอาบน้ําเทวดาเลื่อมใสมายืนถือดอกไม้อยู่ข้อที่สี่ก็คือปาสาดิกะสังวัตตานิยังยังกัมมังอุปกิตัง ผู้กว่าชื่อว่าตัางสมกรรมซึ่งเป็นไปผูความเป็นผู้นำเลื่อมใสด้วยรูปในพบหน้านางพระอภยะเถระปางก่อนเป็นเถระแก่ได้กว่าราเกดีบวชแทงอมัดผู้หนึ่งปางก่อนเป็นอุบาสกได้เทอยากเยื่อที่เขากว่าทั้งสองมาพบกันในภายหลังเป็นคนที่มีรูปหน้าเลื่อมใสข้อที่หก็คือกา ร, รยะสะเทดาปรังมรณาทุกขติณสักทางโลกังอุ ป, ปัชติ ผู้กว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะตายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นคติอันดีอย่างที่ห้านะอันนี้ก็เป็นไอสองห้าอย่างในการกว่านานเจดียังมีไอนนสองแห่งการกว่าอีกห้าอย่างอีกหมวดหนึ่งก็คือจิตแห่งตนย่อมเลื่อมใสของแผ้วอันนี้เหมือ น, นกันสมบทแรกข้อที่สองจิตแห่งผู้อื่นย่อมเลื่อมใสของแผ้วก็เหมือนกันข้อที่สามเทวดาชื่นชมยินดีก็เหมือนกันส่วนข้อที่สี่นะสัตว์ส า, านาน้ำกระตงังโหติ ผู้กวาดเป็นอันกระทำคาสอนแห่งพระศาสดาด้วยว่าวัดคือการกวาดนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสเสริญไว้แล้วเพราะเหตุนั้นเมื่อกระทำการกวาดก็เป็นการทําคําสอนแห่งพระศาสดาสําตานคาสอนของพระพุทธเจา้านางท่านกล่าวไว้ว่าภาษารีบุตรลืมไปไม่ได้กวาดไปเข้านิโรธาสมบัติอยู่ในป่าหิมพานพระองค์ทรงทราบว่าลืมกวาดลืมทําวัดเสด็จไปสแสดงรอยพระบาทไว้ แต่นั้นไปพระเถระเจ้าแม้ยืนในที่กัดลูกดุมท่านก็เอาเท้ากวาดอยากเยื่อเสียก่อนแล้วจึงยืนนี้นี่ก็เป็นไอ้ส่งอีกข้อหนึ่งก็คือทําตามคำสอนของพระศาสดาอันนี้สองข้อที่ห้าก็คือปัชชิมาชลตาทิษฐานุคติงอาปัชติประชุมชนซึ่งมีในภายหลังย่อมถึงซึ่งทิษฐานุคติไปต่างก็คือทําตามอย่างที่ตนเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นการทํำตามอย่างที่ดีเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ดี สมัชนานิสังสัถาจบเทสนาดิปป บ, บังสัตตะมังจบข้อที่เจ็ดชื่อว่าเทสนาดิปัพภะคาถาทั้งปวงในข้อนั้นๆคาถาใดย่อคาถานั้นเมื่อประสงค์พิจารณ์พึงดูในบาลีวิพังคะขันธกะและปริวาระและอัตตคถาดีกาเถิดสัตตะปภะปุพะสิกาาสขาวันนา น, านิสทิตาก็จบเรื่องของ ปุพเพิขาวันนานก็ยังมีตอนท้ายอีกนิดหนึง่งมีวินิจฉัยเรื่องของอธินาทาและก็เรื่องปะละเรื่องของสุขธวิทธธัชิต่างๆวันนี้ก็สมควรกัเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลด้วยการมีตัทธานในการที่จะเอื้อเฟื้อศึกษาพระวินยัยอันเป็นคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกาศเรื่องของศีลอันเป็นปพุพพะเป็นเบื้องต้นเป็นฐาน จะทำให้มีการอบรมสมาธิมีการอบรมปัญญาเพื่อกูลจากการนี้ทําให้ปุสสรธรรมขั้นสูงเจริญยิ่งขึ้นศีลนี้มีอัตสองอย่างวามจริงแล้วก็เป็นอะไรศีลนี้อจจัตสองศีลก็คือเป็นศีลละนักศีลก็มีความหมายศีลละนักอัตถาจจก็คือศีลละนักหมายถึงสมาทานังการอุ ป, ปัารานางังสมาทานังก็หมายถึงรวบรวมไม่ให้กายวาจากเคลื่อนกลนปร ะ, ะจัจจัยไปเป็นทุจริต แล้วก็อันทีสอก็หมายถึงอุปัฏฐากนามก็หมายถึงว่าเป็นที่รองรับของคุณธรรมเบื้องสูงเพราะฉะนั้นถ้ากายวาจาไม่เกลืนกลนแล้วไม่มีทุจริตไม่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดร้อ น, นใจก็เป็นที่รองรับของคุณธรรมก็คือสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมท้อมในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อเพื่อกูจร ก, การบรรลุธรรมก็ขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมในการไม่เนินช้านี้ด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ